งานลุงปูกับไก่ของมาแล้วระยะหนึ่งให้เป็นระยะงานระยะบุญการที่จัดงานลงุงปูเพื่อจะให้เกิดบุญนั่ะเกิดบุญในใจใช่เห้ยไปหลุกคิดหลุดหาของลงุงปูคนจากไปบรณภาพกกายไปแล้วยีสิสองปีเลยเด้เท่ามา ขันปล่อยไว้คื้อๆผ่านไปผ่านมือผ่านเว่นดื้อมันก็ด่ขารอยล่งรอยลุ่งมันมันลอยลงเพื่อจะเข้าพึงเสือกพื้นเสือกคาวไปคาตาคานี่แล้วขันปล่อยไว้โดยไม่ไปย้อนล่งย่านลงอย่างไรหลอดว่างนึงก็ไปแข็งมันขืนี้ให้มันดื้อให้มันตรงเรื่อย งานหลวงปูเหนี่ยกรคื้กันท่นแหละตันพอหอดปีหนึ่งแล้วลังค้นกับจีเขียดจีข้านบ่อยากคึดนภาวนาบ่ขึ้นเทนยังแหละเทนตะวนแน่อื่นเนี่แหละเรนหัวไปนําโลกน้ำยังเขาขันพอปีหนึงแล้วให้ไปจัดงานขึ้นอย่างเด็กๆขึ้นทอดหลวงปูคึดนทอดบ่ขึ้นอดบ่ท่านคึดนอดธรรมะเพิ่นแกคึดนทอดวังโอหลวงปูเป็นคือสั้นเปลี่ยนสั้นเปล่สั้น คนอยู่ดีงกสำรวมจังสั่นข้าเหตุข้าท่ำพาา้าวอกข้าปากเป็นนี้จะเป็นบุญนี่สิเข้ากับืึ น, นอก ม, มาใจใจจะฟของตะขี่เข้าขึ้นมาสะอ่อนแท้สะอ่อนพิเศษดีน้ำเพินแท้จังท่ำบุญท่ำท่านหลักตาขีนจะเล่นภาวนานะ่ยมาใจสะอ่อนใจฮึดใจหัดใจเอาน้ำเพินแท้ มาบาดนีมะขีลายแพ้ใจมะจอยมาเตยมาอ่อนต้องลายแพ้เข้ากับจิตสกิดสัวคืง้ไปใช้ขวมเข่าขวมหลังเลยแนวเอากลับมาให้ง่ไปใช้ข้มหลังแล้วว่าให้คุดคอยคุดแท่งคุดอาไลอาวอนว่มันช่งกันหรือเด็คุดเห็นอย่งฉันหรอกเอาข้ามคุดข้อมเห็นอันเดสมืยอไเข่าห้องคุดเขาคุดดีดีอยากภาวนาสร้างใจภาวนาสันตุไรกระดา พ่อกินเขาแล้วสันเขาแล้วเขาฟ้าเขาหาทางจงกุกงย่างย่วจนสมัยนั้นว่าเขาก็เอาคว่ำคืดมูลนั่นแหละมานี่เขามาเอ็ดช่วยนี่เอามาคืดใจใจเดียวนี่แหละบกูก็ิ่เข่งขึเงเลยว่าเข่งนี่คือปลาดกตะกินมันคื อ, อ, กกคอเข่งคัดดีแท้แล้วจังเขาก็เข่งจนเอ็ดจ น, น่วมำภาวนาคว่มดีเนี่ย อันนี้เป็นการว่ามันควบดีเขามันค่อยๆเตยค่อยอ ย, อ ย, อ ย, อย่านรุ่งหอดย่านหนึ่งกลมาเค่งมันคืนก็อาศัยบุญบรารมีหลวงปู่อาศัยสั่มเป็นอยู่ของคนสมัยกาอาศัยเรื่องวันเกิดวันตายของคนนี่แหละอมกเป็นเครืองเป็นเครืองสำหรับซอยตักเกือนสติของไทยเข้ามูเข้าได้ เพราะฉะนั้นในระวางที่มันจะเกิดบุญในมันจะเป็นบุญลงปูในข้ากันสร้งใจเป็นบุญเนี่ยเป็นสีเข็ดยั้งกะต่างสิไปสีมากกับเรงมันระวงังยูเด่นสงบทําร่วงจั้งวอนเพื่อจลงปูคุณพรอยู่อันซีว้าซิจาเนยังคุจ็คโจ็กนั่นแ น, กแบบ น, นแแ่กันพูวอลโคดเวดูไรแกอันซีวอเนี่ยคือถ้าก่อน อย่าให้มันมีตํ้มอย่าให้มันเป็นบาปใน่วัจีวัจีตั้มสามวัจีตัามส่อย่าให้มันเป็นผูดพดผุดซอเสียดผูดพ่วงหยาบผดเจอเจออย่าให้มันเป็นอย่างนี้นะแตอย่าตั้มสามกว่าขาดแทกหลักจับเราคือคิดในสามอ่งเต้า่ก็ฝุดึงข้วมดีอันต่อไปในัมม่นวอย่าเลื่อนภาวนา สำคัญเหมือนแมนลงปูเหยื่อคนให้ฆ า, าคนฆ่าจะเริ่มภาวนาหน่าละลงปูเป็นเหตุอย่งแล้ยวแต่เช่รรท่านเล้ยวคือว่าว่ารักษาศีลแล้วบ่าท่านหาล้วทำท่านท า, นทานบุญทำท่านใส้บาตแล้วมดยังโบรรท่านห้แลี้ยวอดต้องหาภาวนาสักตอนภาวนาสักตอนอดสฏิทุนให้โน้นกล่ะยังสีแเล เพราะฉะนั้นจะให้ตั้งใจเลยตั้งกายตั้งวาจาตั้งใจเลยให้มันเป็นดีให้มันเป็นบุญให้มันปัญญายามเสมอเพราเรื่องละมัดระว่างใจเจ้าของโดยเฉพาะใจนั่นแหะนะละว่างนี่ให้ใจคืบไปทั่วให้คืบไปนอมไปนั่นเป็นบุญมือนี่เขากระชิมตั้งเต็มตั้งโลงท่านคืนให้โลงท่านกลางย่อมบูเป็นโลงท่านกลางเป็นโลงท่านรักเฮียมู ผู้ดใดบุษันเดชมารวมก็มาร่วมจ้ะผู้ดใดบุษมีหยังมารวมบุษมีมว่นมีท่องกเอาแห้งมาพวมารวมมา่วมมาซอยกันเย็ดซอยกเบิงนี่ยังไงมือนี้อดิตต่างรงท่านยมบูแล้ะมืออื่นนะพวกหายาดย่อมเขากปฏิมาทำพ้มสะอาดบริเลนปฏิได้อาศัยรงท่านยมบูนี่แหละบริการนี่นี่สลดัด มาทำความสะอาดเห็ดตัดกวดเดินสิสั่งโลงท่านต่อไปอีกมืออื่นแะสิมันสั่งโลงท่านต่อไปพีผู้บาอาจารย์อาจารย์ย่าเพิ่งจะไปเอาธุระไปขนเต็นขนยังมากสิตั่งแล้วจะเป็นมันไปสั่งเต่นไปโลงท่านแต่สิอาจจะถ้ามันจะโู้โบตามสามโบตามสามสิบหรือว่าอาจจเป็นโล่งเล็กโลงหน่อยแนะแต่ถิบเป็โล่งใหญ่จะโล่งยมูด จะลงเลยลงนอ้อยอ่าละ่ะลงธานเนี่ยจะเป็นลักษณะของคู่มีอยากได้บุญเขาก็มาตั้งโลงธ า, านเนี่ยพอดย่ามเนี่ยของผู้ว่าปาขึ้นขเขาก็เอาแห่ไปตึก๊กเป็นตันแล้วอันนี้เขาูจักไว้ย่ามได้จิเป็นบุญเก็ไปเอาแต่หาเหตุเอาบุญเนี่ยเอาก็เอาให้มันเป็นเอาบุญให้มันเป็นให้น้อมคิดน้อมใจจะฟ้องไปกันบุญมันเกิดแล้วมันอยู่ในใจ ไปจึงเข้าไปซึ้แห่นี่แหละเอาของไปนั่มได้ปลาเราเอาใส้นของอันนี้เอาใจไปนั่มเ็ชรยังกระไดเอาไว้ที่มันเกิดข่วมดีเบิ์บานค่วมจะเริ่มให้คิดให้ใจเก็บไว้ในใจทันทุกสาสนาบุญเด้อให้หูแจักสลาดเอาเด้อย่ำ ม, มันมีหลายแม่เราสิ่ดี๋้อยกันเล็กนะสร้อยเขียมงานหนึ่งหลายจับเศษใบ ไ, ไม้ไปทิ้ม จับไม่กินนึงกานนึงไปถินปัดกัวทันคนนีมันเป็นบุญเมื่อไงละไปหาซอยเขายกนั่นยกนี่ยกถาดยกจานเป็นบุญเมื่อไงละหาเหตุบุญแล้วก็สําคัญดิสุดใจเฝ้าเห็นมันแล้วค่ะพรท่านได้จพระวนาหลวงคููมักดิพุดเป็นพระวนาขันเท่าสิบบริขันเท่าสิบเข้ารบบูชาหลวงครูเนี่ยในบูชาโดยแนี่ยคนมักเรื่องพระวนา นั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่ยางอยู่ให้ซ่อมมุงใจเก็บของเด้ซ่อมมุงใจเป็นพระแ้เน้นใจซ่อมร่มหันใจทุกคนซ่อมร่มหันใจโอ้ร่มหันใจนี่เยอะแยะเลยใจมันเคยอยู่ในร่มหันใจนี่แล้วซ่อมไหวหันเด้ออานาลัคเป็นภาวนาเอาอันนี้แหละบูชาหลวงปู่ที่ได้บุญหลายเด้อ